เดอะพิง์เจ้าชายและพรวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่งดงามมีราชินีผู้สง่างามเธออยู่อย่างมีความสุขแต่ไร้ซึ่งบุตรวันหนึ่งราชินีเดินเล่นอยู่ในสวนเธอมองขึ้นบนท้องฟ้าและอธิษฐานราชินีของข้าอย่าได้กังวลไปเลยคำอธิษฐานของเจ้าน่าจะเป็นจริงโอ้ ขอบน้ำใจยิ่งนักเจ้าจะมีบุตรชายผู้มีพรวิเศษอธิษฐานอะไรก็ได้จงดูแลเขาให้ดีหลายเดือนผ่านไปเจ้าชายน้อยลืมตาดูโลกนำมาซึ่งความสุขแก่ทุกคนสองปีต่อมาราชินีพาลูกของเธอไปเล่นน้ำริมทานเช่นปกติพารู้ไม่ว่าพ่อครัวผู้ชั่วร้ายมีแผนชั่ว ราชนีตามหาลูกของเธอแต่ไม่พบกลับไปบอกข่าวร้ายต่อพระราชาทั้งน้ำตาโชคร้ายที่พ่อกลัวไปถึงพระราชาก่อนและกล่าวความเท็จให้ร้ายฟ้าบาดพระราชินีสมอบเจ้าชายสัตรายเลือดของเจ้าชายเนี่ยยังเปื้อนช้ยกระโปรงของพระราชนีอยู่เลยพระยะครับ โอ้โห <c oughs> เจ้าบอบลูกของเราให้สัตว์้าย <c oughs> เจ้าสมควรจะได้รับโทษแล้วพระราชาทรงโกรธเกรี้ยวสั่งให้นำตัวราชินีไปขังทิ้งไว้ในป้อมประการเจ็ดปีโดยสั่งไม่ให้อาหารและน้ำและปล่อยให้ตายแต่เทวดาเมตตาราชินีจึงส่งนางฟ้าเอาอาหารมาให้เธอ หลายปีผ่านไปเจ้าชายเติบโตเป็นชายหนุ่มนิสัยดีในป่าลึกไกลที่พ่อแม่ไม่รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่พ่อครัวคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะแล้วที่จะใช้เขาให้เป็นประโยชน์ืล้านรักของลุงลุงจะขอให้ช่วยอะไรหน่อยได้ไหม <c oughs> ได้ครับลุงจะให้ข้าทำอะไร เจ้าจะต้องหลับตาและอทิษฐานขอประศาตรที่รู้ราใหญ่โตที่ซึ่งเจ้าจะเป็นพระราชาและข้าก็จะเป็นขุนนางของเจ้าแต่พ่อครัวต้องการมากกว่านั้นหลานลุงเจ้าจงหลับตาและอธิษฐานขอหญิงสาวสวยกับตัวเจ่าจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างเดียวได้ยังไงล่ะดีไหม <c oughs> ทันดนั้นตจ้าชายก็ได้พบคู่แทนพวกเขาทั้งสองตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบพวกเขาเต้นราสนุกสนานและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่พ่อครัวยังมีแผนชั่วซ่อนอยู่ยามค่ําพ่อครัวหัวเราะด้วยความชั่วร้ายอยู่ในห้องนอนบนปราสาทสูงเขามองกระจกและพูดกับตัวเองฮึ่มฮึ่ามีทุกอย่างที่ต้องการแล้ว เหลือเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเจ้าชายจะต้องตายแต่เขารู้เรื่องครอบหัวเขาอ่าจะต้องแย่แน่ๆพ่อครัวบอกหญิงสาวให้ฆ่าเจ้าชายตอนเขาหลับไม่เช่นนั้นเขาจะฆ่าหญิงสาวข้าฆ่าเขาไม่ได้ข้ารักเขาด้วยใจจริง ข้าเขาซะทำไมอย่างนั้นเจ้านั่นแหละที่จะต้องตายข้าจะให้เขารู้ไม่ได้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงเขาคือใครและข้ารักพาตัวเขามาเจ้าจะต้องทำตามคำสั่งข้าไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องตายเจ้าคนชัว่วพรุ่เาข้าจะเข้าไปดูศพของเขาในห้องนอนของเจา้า <c oughs> เจ้าจะไม่ฆ่าข้าข้าได้ยินทุกอย่างแล้วที่รักข้าขอโทษข้ากลัวว่าชีวิตเราสองคนจะตกอยู่ในอันตรายเขาสมควรได้รับโทษจากการกระทำที่ชั่วร้ายเจ้าชายธิตาได้พ่อกรัวกลายเป็นสุนัขพุดเดิ้ลสวมปลอกคอสีทองและกินถ่านหินเป็นอาหารข้าต้องกลับไปหาพ่อแม่ของข้าและข้าพาเจ้าไปแบบนี้ไม่ได้ ข็าจะพาเจ้าไปในรูปของดอกไม้เพคะเจ้าชายอธิษฐานให้เธอกลายเป็นดอกกุหลาบสีชมพูที่งดงามที่สุดและใส่เธอไว้ในกระเป๋าเสือ้อเขาออกเดินทางตามหาพ่อแม่พร้อมกับจูงสุนัขคูดเดอร์ไปด้วยหลังเดินทางได้สักพักเจ้าชายก็มาถึงอาณาจักรจึงได้รู้ถึงชะตา ก, กรรมของแม่ของเขาจากชาวบ้านในตลาด ท่านนั้นเจ้าชายไปถึงป้อมปราการและอธิษฐานขอบันไดเพื่อขึ้นไปหาแม่ราชินีของข้าถ้าสบายดีหรือไม่ใช่แล้วล่ะเทวดาข้ากินอิ่มสบายดีขับใจท่านนักนะท่านราชินีข้าเองลูกชายของท่านข้าเดินทางมาจากป่าเจ้าพ่อครัวชั่วนะ่ละลักพาตัวข้าไปและใส่ร้ายท่านแม่และตอนนี้ข้ามาช่วยท่านแล้ว โอ้ลูกรักของแม่พระเจ้าตอบรับคำอธิษฐานของแม่อีกครั้งหนึ่งเจ้าชายนำกวางมากมายไปที่ประตูปราสาทและรุ่งเช้าเขาขอพบพระราชาเพื่อถวายกวางเป็นของขวัญขอบใจจะ่นักล่าสำหรับกวาง200ตัวที่เป็นของขวัญแก่ข้าเจ้าต้องการอาราระไรเป็นสิ่งตอบแทน หม่อมฉันขอเพียงได้รับประทานอาหารกับฟาบาทและครอบครัวเจ้าชายอธิษฐานในใจขอให้ใครสักคนเอ่ยถึงแม่ข้าต่อนหน้าพระราชาบัตรนี้ด้วยเชิดฟ้าบาทเนืองในโอกาสอนันดีขอเราไปตรวจ ด, ดูความเป็นอยู่ท่านราชนีและเชิญมารับประทานอาหารด้วยดีไหมพระยะค่ะนี่ก็ผ่านมาหลายปีไม่ นางบอบลูกคายกับสัตว์ร้ายไม่จริงเลยฝาบาทหม่อมชั้นคือบุตรของพระองค์หม่อมชั้นเองและไม่ได้ถูกสัตว์ร้ายนำตัวไปแต่ว่าเป็นพ่อครัวของฝาบาทาจะเชื่อจะได้อย่างไรเจ้าชายญิ้ดึงสุนัขพูดเดิลออกมาพร้อมอธิษฐานให้สุนัขคืนร่างเป็นพ่อครัวผู้ซึ่งร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเป็นความจริงพะยะค่ะหม่อมันเอง ได้โปรดได้โปรดอาภัยด้วยความโลภ บ, บางตาหม่อมทันนะได้โปรดเถอะเจ้าคนชั่วนำทัวมันไปค้างคุกบัดนี้บทเรียนนี้สอนให้ดูว่าความโลภนำพาความชั่วร้ายและทุกคนก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขตลอดกาล